วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2566เป็นวันพระวันธรรมสวรนระวันฟังธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่งหนึ่งวันเพราะจะมีการกระทาที่เป็นมงคล ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนได้กระทำกันตามหลักของพระสูตรมงคลละสูตรที่ทรงตัดสอนไว้ว่าอาเสวนาจะบาลานังบันดิตานันจะเสวนาเอตัมมังกาลมุตตะมังแปลว่าการไม่เข้าหา คนพาลหรือคนโง่คนไม่ฉลาดและการเข้าหาบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งวันนี้เราก็ได้มาเข้าหาบัณฑิตกันบัณฑิตก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีความรู้ความฉลาดในเรื่องราวของ ความสุขและความทุกข์ของชีวิตของพวกเราไม่มีใครจะรู้เรื่องชีวิตของพวกเราและความสุขและความทุกข์ของพวกเราดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราจะไม่รู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นใครเราจะคิดว่า ร่างกายนี้เป็นเราแต่ความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราคือผู้สั่งผู้ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันแต่เนื่องจากว่าเราคือผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นเหมือนกับมนุษย์ล่างหนเราจึงไปคิดว่าเราผู้รู้ผู้สั่งร่างกายนี้อยู่ในร่างกายนี้เป็นร่างกายอันนี้อันนี้แหละคือความหลงหรือเรียกว่าอาวิชชาความไม่รู้ความจริง ไม่รู้ว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราเป็นมนุษย์ล่องหนเราไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ความสามารถที่จะรู้ เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสัมผัสกับร่างกายทางตาหูจมูกทิ้นกายเพราะเรามีกระแสะการรับรู้ที่เราใช้เชื่อมต่อกับตาหูจมูกทิ้นกายทำให้เรารู้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆเวลาที่ตาหูจมูกทิ้นกาย ได้ไปสัมผัสกระแสรับรู้คือดวงคือวิญญาณนี้ก็จะส่งข้อมูลของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตพัณฑ์เข้ามาที่ใจเมื่อ <Me> ใจได้สัมผัสใจก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เกิดความคิด ที่จะสั่งการให้ร่างกายทำตามความอยากของใจเช่นถ้ารูปเสียงจิตลดผลทพะที่ได้สัมผัสทาให้เกิดสุขคเวทนาความรู้สึกสุขขึ้นมาใจก็จะสั่งให้ไปเอารูปเสียงจิตลดผลทพะชนิดนี้มาครอบครอง เริ่มมารักษาเก็บเอาไว้ให้ได้นานที่สุดเพราะใจชอบสุขเวทนาในทางตรงกันข้ามถ้าไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สบายใจใจก็จะสั่งให้พยายามหนีหรือพยายามกำจัด รูปเสียงกลิ่นรสโผฏะที่มาทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นมาอันนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างร่างกายน่าจผู้รู้ผู้คิดใจนี้มีความสามารถนอกจากรู้แล้วยังคิดได้ยังจำได้แล้วยังมีความรู้สึก และมีความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับร่างกายเพื่อรับลูกเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้กนกายแต่การร่วมกันทำงานร่วมกันนี้เป็นงานเฉพาะกิจคือว่ามันเป็นงานชั่วคราวเพราะธรรมชาติของร่างกาย นีมันไม่เป็นสิ่งที่ถาวรมันไม่ได้อยู่ไปตลอดร่างกายทุกร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามมีอายุไข ข, ของมันเหมือนเทียนไขเทียนไขเวลาที่เราจุดเทียนนี้แท่ง ย, วยาวๆมันก็จะค่อยๆสั้นลงสั้นลงแล้วในที่สุดมันก็จะ หายไปหมดชั้นใดร่างกายก็เป็นเหมือนเทียนไขนี่เองพอเราเกิดก็เหมือนดาวเริ่มจุดจุดเทียนไขนะเทียนไขมันก็จะไหม้แล้วมันก็จะกินเทียนไฟที่ไหม้ก็จะค่อยๆกินเทียนไปทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดเทียนก็จะหมด เมื่อเทียนหมดไฟก็จะดับไปร่างกายก็เป็นอย่างนี้ร่างกายเมื่อเริ่มเมื่อเกิดแล้วมันก็จะเริ่มเจริญเติบโตไปตามวาระของมันจนจเจริญเติบโตอย่างเต็มที่เมื่อเจริญเติบโตอย่างเต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มค่อยๆเสื่อมลงไปคือเริ่มแก่ลงนั่นเอง พอถึงวัยกลางคนสี่สิบกว่าห้าสิบนี่นก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วหลังจากนั้นไปมันก็จะเริ่มนับถอยหลังมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปทีละเล็กเทีน้อยกำลังวังชาที่มีมากก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไป อวัยวะของร่างกายก็เริ่มชำรุดทุดเสื่อมเริ่มเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะหมดลมหายใจเมื่อร่างกายหมดลมหายใจร่างกายก็ย่อยสลาย กลับคืนสู่สภาพเดิมร่างกายนี้กลับคืนสู่ธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายนี้ทำให้มีอาการ32มีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดุมเป็นต้นอาการเหล่านี้ทำมาจากธาตุทั้งสี่ คือธาตุดินธาตุน้ทธาตุลมธาตุไฟที่เราเอาเข้าร่างกายธาตุลมเราก็เราก็เอาเข้าด้วยการหายใจเข้าออกเวลาเราหายใจเข้าออกนี่เรากำลังเอาธาตุลมเข้าไปเอาไปผสมกับธาตุน้าที่เราดื่มเข้าไปเอาไปผสมกับธาตุดินและธาตุไฟธาตุดินก็คืออาหารต่างๆ อาหารที่เป็นส่วนแข็งนี้ทำมาจากธาตุดินเช่นข้าวเช่นผักเช่นเนื้อสัตว์อะไรต่างๆอย่างนี้เป็นธาตุดินเมื่อเข้าไปในร่างกายธาตุทั้งสี่ก็จะทำหน้าที่เอาไปเอาไปเสริมอวัยวะต่างๆให้เจริญงอกงามเติบโต ให้ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูดเจริญเตบโตไปถ้าเวลาที่ร่างกายหยุดหายใจ <The> ก็เป็นตอนที่ธาตุทั้งสี่จะแยกทางกันเบื้องต้นขั้นแรกก็คือลมหายใจไม่มีลมเข้า <The> ก็จะเหลือแต่ลมที่มีอยู่ในร่างกาย <The> ก็จะระเหย<ๆ>ออกมา ตามด้วยธาตุไฟตามร้อนในร่างกายก็จะหายไปร่างกายคนตายก็จะเย็นเฉียบแล้วต่อมาก็ธาตุน้าก็จะแยกออกมาจากธาตุดินจนในที่สุดก็จะเหลือธาตุส่วนที่เป็นธาตุดินเช่นเนื้อหนังที่หแห้งกรอบโครงกระดูกแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ มันก็จะผุพังกลายเป็นธาตุดินไปกลายเป็นดินไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายที่ใจผู้รู้ผู้คิดนี้มาเชื่อมต่อกันสาเหตุที่ใจมาเชื่อมต่อกับร่างกายก็เพราะว่าใจนี้มีความหลง ที่คิดว่าการที่ใจจะมีความสุขได้ใจต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภ พ, พชนิดต่างๆมาให้เสพอยู่เรื่อยๆและการที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆได้จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือต้องมีร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเครื่องมือให้ใจที่มีความอยากจะเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสผธทพะนี้เอามาใช้เป็นเครื่องมือได้ใจจึงต้องคอยไปหาร่างกายอยู่เ ร, ยเรื่อยเวลาที่ร่างกายเก่าตายไป ช่วงที่ร่างกายตายเก่ตาต า, ตายไปใจก็แยกจากร่างกายอันเก่าอยู่แบบไม่มีร่างกายไปก่อนช่วงที่อยู่แบบไม่มีร่างกายนี้เราก็เรียกว่าดวงวิญญาณใจนี้ก็ผู้รู้ผู้คิดนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณคือใจนี้ไม่ได้ตายใจนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีวันตาย แต่ใจนี้มีปัญหาคือความหนุงที่ทำให้เกิดมีความอยากที่จะเศษ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่ตางๆอยู่เรื่อยๆก็เลยจำเป็นที่จะต้องคอยไปหาร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการหา ความสุขอยากรูปเสียงกลิก่นลดปวดกระแทกแต่ร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็มีการอยู่ไปชั่วระยะหนึ่งแล้วในที่สุดมันก็จะสิ้นสุดลงที่ความตายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นของที่มีชีวิต หรือเป็นของที่ไม่มีชีวิตก็เหมือนกันเป็นของที่เมื่อมีการรวมกันสร้างกันขึ้นมาแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีการพังไปหมดไปในปัญหาของใจก็คือใจมาอาศัยร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ซึ่งเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายร่างกายก็จะนำเอาแต่ความทุกข์มาให้กับใจซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความอยากของใจใจอยากจะได้แต่ความสุขที่ว่าได้ความสุขผ่านทางร่างกายแล้วจะมีความสุข แต่เป็นความคิดที่ไม่รอบคอบมองเห็นความจริงด้านเดียวมองเห็นความสุขของรูปเสีงยงกลิ่นรสผดสะพ้ามองเห็นความสุขของการมีร่างกายแต่ไม่มองถึงด้านของความทุกข์ที่มีอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าด้วยที่มีอยู่กับร่างกายด้วยๆๆรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพา้าที่ ที่ใจสัมผัสลับรู้นี้ก็ไม่ใช่จะมีแต่ให้ความสุขอย่างเดียวมีทั้งความทุกข์ด้วยมีทั้งความไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยรูปที่เราเห็นนี่บางรูปก็ให้เราให้เกิดความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาบางรูปเห็นแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเวลาที่เราเห็นธนบัติเนี่ย ถ้าใครหยิบยื่นธนบัตรมาให้เห็นแล้วมันมีความสุขขึ้นมาแต่เวลาใครเขาส่งบินมาให้ที่เราจะต้องจ่าย<ม>ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความไม่สบายใจขึ้นมามม น, นี่คือความจริงของรูปเสียงกลิ่นรสผธพะมันไม่ใช่มีแต่สุขด้านเดียวมันไม่มีแต่สุขอย่างเดียว มันมีสามอย่างด้วยกันในรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนามีเวทนาสามอย่างมีสุขทเวทนาคือความมีทุกขเวทนาและมีไม่สุขไม่ทุกขเวทนารูปบางอย่างเราเห็นแล้วก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมารูปบางอย่างเราเห็นแล้วก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมารูปบางอย่างเราเห็นแล้ว เราก็เกิดความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางกไม่สุขไม่ทุกข์เช่นเห็นธนบัตรนี้เกิดสุขเวทนาเห็นบิลเห็นบินค่าใช้จ่ายเกิดทุกขเวทนาเป็นกระดาษเหมือนกันแล้วก็เห็นกระดาษเปล่าเปขาวขาวถ้าเห็นกระดาษเปล่าเขาวขาวก็ไม่เกิดความสุขไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมา นี่คือธรรมชาติของรูปเสียงกดลิ่นรสผลทพะที่มีเวทนาทั้งสอยู่ทุกชนิดไม่ว่าจะรูปแบบไหนรูปชนิดไหนเสียงชนิดไหนกลิ่นชนิดไหนรสชนิดไหนผลทพะที่มาสัมผัสตามร่างกายชนิดไหนก็ตามมันมีสามเวทนามันมีความรู้สึกสามแบบ แต่ใจเรานี้ไปอยากได้แต่สุขเวทนาพอเวลาไม่ได้สุขเวทนาได้ทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนาใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยากได้สุขเวทนาแต่พอไม่ได้สุขเวทนาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเกิดความทุกข์ขึ้นมา ใจก็ต้องดิ้นหลนพยายามหาวิธีแก้ไขทำยังไงให้เราได้สุขเวทนาขึ้นมา mm hmm. ก็จะต้องมีการดิ้นหลนต่อสู้ไปเรื่อยๆในชีวิตในแต่ละวันนี้ใจเรานี้ดิ้นหลนหาแต่สุขเวทนากัน mm hmm. แล้วเมื่อหาไม่ได้ก็เกิดทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจกับสุขเวทนานี้เป็นคนละอัน สุขเวทนาหรือทุกขเวทนานี้เกิดจากการไปสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสมาส่วนทุกขเวทนานี้ไอ้ทุกขทางใจนี้เรียกว่าทุกอริยสั์สี่ทุกที่เกิดจากสมุทัยคือความอยากอยากได้แต่ความอยากได้สุขเวทนาพอได้ทุกขเวทนามาแทนที่ใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา ใจก็เลยไม่มีความสุขเลยทั้งๆ ท, ที่คิดว่าการที่ได้ร่างกายมาแล้วแล้วสามารถไปหารูปเสียงิ่นลถโผฏฐพะชนิดต่างๆมาเสร็จแล้วจะได้ความสุขแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่คิด mm. ได้แต่ความสุขบ้างแล้วก็ได้ความทุกข์ด้วย mm. เวลาที่ไม่ได้ความสุข mm. ก็จะได้ความทุกข์ทางใจขึ้นมา อันนี้แหละคือความทุกข์ที่ใจต้องรับต้องทนรับมาอยู่อย่างแสนสาหัสเป็นเวลาอันยาวนานและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเหตุว่าความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนี้ความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถภานี้มัน เป็นตัวที่ไม่ตายไม่หายไปด้วยการไปทำตามความอยากต่อให้เราอยากได้อะไรแล้วได้มามากน้อยเพียงไรก็ตามความอยากได้สิ่งต่างๆอย่างอื่น<ม>ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมันไม่มีวันหายไปดังที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่ามหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ไพศาล น, นี้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน มหาสมุทรก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากของใจนี่มันไม่มีขอบไม่มีฝั่งมันไม่มีวันสิ้นสุดถ้าลองไปตอบสนองความอยากแล้วมันจะไปกระตุ้นทำให้เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วมันพอมันไม่ได้ตามที่มันอยากมันก็ทำให้มันเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเกิดความเศร้าโศกเสียใจ เกิดความเครียดเกิดความซึมเศร้าขึ้นมาโรคทางใจนี้โรคจิตหรือความทุกข์ทางใจนี้ล้วนมีสาเหตุที่เกิดมาจากความอยากแล้วก็ความอยากนี้ก็มีสาเหตุที่มาจากความไม่รู้ความจริงของธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ใจไปอยากได้ ว่ามันไม่ได้ให้ความสุขอย่างเดียวนอกจากความสุขแล้วมันก็ให้ความทุกข์ด้วยให้ความไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยแล้วเวลาไม่ได้ความสุขใจที่อยากได้ความสุขก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะพยายามดิ้นหนีพยายามจะดับความทุกข์ด้วยการพยายามไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสรูปเสียงกลิ่นรสแบบนี้ไม่ดีอา้าวเปลี่ยนใหม่ เหมือนคนที่แต่งงานแล้วก็หยาาแต่งแล้วก็หย่า <c oughs> เวลาอยู่คนเดียวก็รู้สึกไม่มีความสุขก็แต่งงานพอแต่งงานได้สักพักหนึ่งความสุขที่ได้ก็หายไปความทุกข์ก็กลับเข้ามาหรือความไม่สุขไม่ทุกข์ก็กลับเข้ามาก็ทำให้เบื่อเบื่อก็ต้องอย่า ก, กันอย่าแล้วก็ไปแต่งใหม่นี่คือเรื่องของ ความอยากของใจที่ทำให้ใจนี้ต้องดิ้นรนหาความสุขอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็ต้องมาเจอกับปัญหาของร่างกายอีกด้วยร่างกายที่เป็นเครื่องมือมันก็เป็นของที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของมันได้ตลอดเวลา<ม>เวลาที่มันมีกำลังวังชา มีสุขภาพที่สมบูรณ์ตาดีหูดีอะไรต่างๆมันก็ทำหน้าที่ตามคำสั่งของใจได้ให้ไปหารูปเสียงกิริลดมาให้ใจเส ด, ด็ได้แต่มันก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเหมือนกันร่างกายพอมันเริ่มเข้าสู่วัยชราตาหูจมูกนิ้วกายก็จะเริ่มเสือ่อมความสามารถที่จะตอบสนองตัานหาความอยากของใจก็จะลดน้อยลง พอมันไม่สามารถตอบสนองความอยากของใจได้ใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยูทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายสรุปแล้วก็คือการหาความสุขของใจนี้แทนที่จะได้ความสุขกลับได้ความทุกข์มาโดยที่ไม่ได้คาดฝันไม่คาดคิดว่าจะได้ความทุกข์เลย คิดว่าถ้ามีร่างกายมีความสามารถหารูปเสียงกลิ่นรสผลทาพ่าต่างๆมาเสพได้แล้วจะมีแต่ความสุขไปตลอดแต่ปัญหาก็คือทั้งร่างกายทั้งรูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากดีกลายเป็นของไม่ดีไปเวลาไม่ดีมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา นี่แหละคือเรื่องของพวกเราทุกคนใจขอ ง, องเราทุกคนตอนนี้ที่ตกอยู่ในกองทุกข์กันก็เพราะว่าความหลงที่มันหลอกให้เราไปคิดว่าวิธีหาความสุขก็คือต้องมีร่างกายเมื่อมีร่างกายแล้วเราก็จะได้ใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขในโลกนี้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาชนิดต่าง แต่หาเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็ไม่ได้ให้ความสุขไปตลอดสิ่งที่เคยให้ความสุขก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์ขึ้นมาได้ไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งเวลาสิ่งนั้นเปลี่ยนไปและเวลาสิ่งนั้นหมดไปนี่คือปัญหาของใจที่มา มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผทพะอยากเศษ ร, รูปเสียงกลิ่นรสจึงทำให้ใจนี้ต้องมาคอยมีร่างกายอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนร่างกายอยู่เรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปใจก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่และช่วงที่ไปรอรับร่างกายอันใหม่ก็มีปัญหาอีกเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่มีร่างกายแล้ว ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพานี้การหาวิธีการหาก็มีหลายรูปแบบวิธีการหาแบบที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมก็มีวิธีที่เป็นบาปเป็นกรรมก็มีเช่นเาถ้าเราหาโดยวิธีสุดจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมนี้ก็เรียกว่าเป็นการหารูปเสียงกลิ่นรสแบบไม่ได้ ทำบาปทำกรรมแต่บางครั้งบางคราวเราอาจจะไม่สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะโดยที่ไม่กระทำบาปได้<ม>เราก็อาจจะไปกระทำบาปกันเ<ม>ช่นไปลักทรัพย์ไปช่อโกง<ม>ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปประพฤติผิดปรเวณีไปกโกหกหลอกลวง พฤติกรรมเหล่านี้ที่จะห้ามทำให้เราได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันมีผลเสียตามมามีผลที่จะมากระทบกับจิตใจของเราทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่กับร่างกายในขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่และในขณะที่ร่างกายตายไปแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่ ใจเราก็ต้องมาทุกข์ ก, กับเรื่องบาปกรรมที่เราทําเพราะบาปกรรมมันมีวิบากมีผลตามมาทางโลกก็คือมีมีะบวนการยุติธรรมเช่นมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมีสารมีอะไรมาคอยมีคุกมีตารางที่มาคอยตามจับคนที่ทําบาปทําผิดกฎหมายไปลงโทษซึ่งทางวิบากทางโลกนี้อาจจะเป็นของที่อาจจะ ไม่สม่ำเสมอไม่แน่นอนก็ได้บางทีทำบาปแล้วไม่มีใครรู้ทำผิดกฎหมายไม่มีใครรู้ไม่มีใครไปแจ้งความก็ไม่มีตำรวจมาจับไม่มีศาลมาตัดสินลงโทษไม่มีไม่มีคุกตารางที่จะต้องไปอยู่แต่ยังมีศาลยังมียังมีวิบากอีกอันที่ไม่ได้วิบากทางกรรมเรียกว่าวิบากของกฎแห่งกรรมอันนี้ วิบากของกฎแห่งกรรมนี้มันทำงานของมันโดยอัตโนมัติขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาเราทาบาปนี้ใครจะรู้ไม่รู้แต่เรารู้เมื่อเรารู้แล้วใจเราจะไม่สุขใจจะรู้เราจะรู้สึกไม่สบาย<ม>การทำบาปนี้ไม่ได้ทำให้เรามีความสุข<ม>การทำบาปแล้วจะทำให้เรามีความทุกข์ความเสียใจ<ม>เวลาเราพูดโปะโกหกไปแล้ว พอสักกระยะหนึ่งเรามานึกถึงมันนะมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจเราขโมยเงินทองของใครมาเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจอันนี้เป็นวิบากที่เกิดขึ้นในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่มันยังไม่หมดเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วช่วงที่จิตเป็นดวงวิญญาณ น, นี่วิบากกรรมนี้ก็จะมา ส่งผลให้กับใจทีทำให้ใจนี้ร้อนทุกข์ทำให้ใจนี้เป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่ไม่มีความสุขดวงวิญ ญ, ญาณที่ไม่มีความสุขนี้ก็มีอยู่สามรูปแบบด้วยกันคือเปรตอสุรกายและนรกดวงวิญญาณของเปรตนี้เกิดจากการทำบาปด้วยความโลดดวงวิญญาณของอสุรกายนี้เกิดจากการทำบาปด้วยความกลัว ดวงวิญญาณที่เป็นนรกนี้เกิดจากการทําบาปด้วยการอาฆาตพยาบาท mm hmm. ใครทําอะไรไม่พอใจเหล่านี้ล้างแค้นต้องทําลายเขา mm hmm. ต้องล้างแค้นต้องแก้แค้นต้องทําลายเขาทําลายเขาให้ได้ mm hmm. อันนี้แหละเป็นเหตุที่ทําให้ใจนี้ร้อน mm hmm. ใจที่ร้อนทั้งสามสามแบบนี้เรียกว่าอาบาย mm hmm. แล้วถ้าไปได้ร่างกายไปเกิดก็จะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ถ้าใจยังมีบาปมีอิทธิพลต่อใจอยู่แทนที่จะไปได้ร่างกายของมนุษย์ก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานอันนี้เป็นวิบากกรรมของผู้ที่กระทําบาปในขณะที่สแสวงหาความสุขจแบบากรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะชนิดต่างๆบางทีไม่สามารถหาความสุข ได้โดยวิธีสุดจริตก็เลยต้องอาศัยการทำบาปแต่พวกนี้เขามักจะไม่รู้ว่ามีกฎแห่งกรรมนี่มาคอยลงโทษใจของเขาเขาเปีงแต่มองเห็นแต่กฎหมายทางโลกเท่านั้นว่าถ้าเราทำผิดกฎหมายแต่ถ้าเราหลบได้หลีได้หรือหนีได้หรือถ้าเรามีกำลัง จ่ายให้ตำรวจหรือจ่ายให้อัยการหรือจ่ายให้ศาลผิดก็จะกลายเป็นถูกก็ได้คนเลยไม่ค่อยกลัวเรื่องการกระทำผิดกฎหมายกันเพราะคิด mm. ว่าทําแล้วยังสามารถที่จะแก้ได้ป้องกันได้ห้ามไม่ให้ผลของการทําผิดกฎหมายนี้มาลงโทษเขาได้แต่คนพวกนี้เขาไม่รู้ว่านอกจากร่างกายเขาแล้วนี้ เขายังมีใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายน่าใจที่ทาบาปนี้จะต้องถูกกฎแห่งกรรมเป็นผู้ที่จะไปลงโทษต่ออีกทีอันนี้เขาไม่รู้กันเวลาที่เขาตายไปเนี่ยใจถ้าเขาใจเป็นบาปนี้แทนที่จะเป็นใจเป็นดวงวิญญาณที่สงบที่มีความสุขจะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยถ้าเป็นเปลจะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว ถ้าเป็นอนุสุลกายจะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความเคสแค้นอาฆาตพยาบาทร้อนนุกเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณของผู้กระทาบาปเราสามารถที่จะเห็นตัวอย่างของดวงวิญญาณเหล่านี้ได้โดยที่เรายังไม่ตายคือตอนที่เรานอนหลับนี่แหละ เวลาที่เรานอนหลับนี้ร่างกายก็เหมือนมันตายไปชั่วคราวตอนนั้นร่างกายนอนนิ่งๆไม่ขยับไม่ไม่เคลื่อนไหวไม่ทําการไม่ไปรับรูปเสียงจิ่ตลดพลัทธภช่วงนั้นใจไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหารูปเสียงจิ่นลดมาเสพได้ใจก็เลยต้องอาศัยสิ่งที่ใจได้กระทําไว้ ที่มีบันทึกไว้เป็นความจาอยู่ในใจนี้เอามาเป็นเอาเป็นมาเอามาเป็นเครื่องเป็นเรื่องเป็นราวให้ใจได้เสกถ้าเกิดไปทำแต่บาปมีแต่เรื่องโหดร้ายทารุณมีแต่เรื่องการสร้างความทุกข์ให้กับผู้นี้ใจมันก็จะเอาเรื่องของความทุกข์เหล่านี้มามาปรุงแต่งมาสร้างสารรค์เหมือนสร้างภาพยนตร์ สร้างเป็นเรื่องเป็นราวทำให้เกิดมีการฝันร้ายขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเวลาเรานอนหลับแล้วฝันร้ายเนี่ยแสดงว่าเรากำลังถูกบาปกรรมที่เราได้ทำไว้เนี้มันมาสร้างผลงานให้กับเราได้สัมผัสรับรู้ให้ใจได้สัมผัสรับรู้อันนี้แหละจะเป็นเรื่องที่จะเป็นเวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว ใจก็จะอยู่ในโลกของความฝันนี่แหละโลกของของการเนลมิตของใจเองที่อาศัยข้อมูลคือพฤติกรรมที่ไม่ดีคือการกระทําบาปต่างๆนี้จะเอาเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆนี้มาปรุงแต่งกลายเป็นเรื่องที่มีแต่เรื่องน่าหวาดตัวน่าวาดเสียวอันนี้แหละคือลักษณะของเวลาที่ใจ ไม่มีร่างกายหรือเวลาที่ใจ<ม>เวลาที่ร่างกายนอนหลับนช่วงที่นอนหลับนี้เราก็ถือว่าร่างกายนี้ตายชั่วคราว<ม>ยังไม่ได้ตายถาวรตายแค่เจ็ดแปดชั่วโมงช่วงนั้นเราก็จะฝันกันฝันร้ายก็มีฝันดีก็มีมถ้าฝันดีมันก็เป็นเรื่องอิทธิพลของบุญที่เราได้ทำเอาไว้<ม>ถ้าฝันร้ายก็เป็นอิทธิพลของบาปที่เราทาเอาไว้ และขณะที่เราอยู่ในความฝันนี้เราไม่รู้ว่าเราฝันนะเราคิดว่าเราอยู่กับความเป็นจริงเหมือนกับเราอยู่ตอนนี้เราคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในฝันนี้เป็นเรื่องจริงไปหมดเราจะมารู้เอีกทีตอนที่เราเตื่นขึ้นมาเท่านั้นว่าโอเมื่อกี้นี้เราฝันไม่ดีนะ<ม>เป็นความฝันแท้ๆแต่ถึงถึงจะรู้บางทีความฝันที่ไม่ดีนี้มันก็ยังทําให้เรารู้สึกหวาดกลัว ทั้งๆ ท, ที่เราตื่นขึ้นมาไม่อยากจะนอนอีกต่อไปก็มีไม่กล้านอนกลัวนอนหลับแล้วจะไปฝันร้ายอันนี้แหละคือสภาพของดวงวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วจะถูกอิกทธิพลของบุญหรือของบาปเป็นผู้ที่จะมาสร้างเรื่องราวต่างๆให้ใจได้เสกได้สัมผัสช่วงที่รอไปรับร่างกายอันใหม่ใจก็จะอยู่ในแดนเนรมิท อยู่ในแดนของในโลกของความฝันถ้าทาบาปไว้มากกว่าทาบุญนี้บาปมันก็จะเป็นผู้มีอิทธิพลสร้างภาพยนตร์ที่ไม่ดีสร้างภาพยนตร์ที่โหดร้ายทารุณให้ใจได้ดูถ้าทาบุญมากกว่าทาบาปบุญก็จะมีอิทธิพลมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้ที่จะมาสร้างภาพที่ดีภาพยนตร์ที่ดีเรื่องราวที่ดี ให้ใจได้เสพได้สัมผัสนะเวลาเวลาบุญมีอิทธิพลมันก็ทำใจให้เป็นสวรรค์ขึ้นมานะเวลาบาปมีอิทธิพลมันก็ทำให้ใจเป็นนรกเป็นอบายขึ้นมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายขึ้นมาอันนี้คือเรื่องของวิบากกรรมทั้งบุญและบาปที่ทำเอาไว้มันจะเป็นตัวที่จะมาจัดการกับดวงวิญญาณ ในช่วงที่ร่างกายตายไปแล้วในช่วงที่ดวงวิญญาณไม่มีร่างกายบุญหรืบาปนี้ก็จะมาเป็นผู้มีอิทธิพลสร้างเรื่องราวต่างๆให้ใจได้สัมผัสจนกว่าบุญหรือบาปนี้มีกําลังพอๆกันก็คือบุญก็ไม่สามารถมีอิทธิพลเพราะมีบาปเท่ากับบุญบาปก็ไม่มีอิทธิพลเท่ากับบาปถ้า บาปก็ไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจตอนช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่จะไปรับร่างกายอันใหม่ช่วงที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ขึ้นมาเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษยน์นี่ถือว่าบุญกับบาปที่เราได้เคยทำไว้นี้มีกำลังเท่าๆกันบุญก็ไม่สามารถส่งให้เราไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถส่งให้เราไปอบายได้ช่วงนั้นเราก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่ พอเรารับร่างกายอันใหม่ได้ร่างกายใหม่เราก็มาทําแบบที่เราเคยทําต่อไปมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดภทพะชนิดต่างๆแล้วก็มาทุกข์กับมันทุกข์กับความไม่แน่เที่ยงแท้แน่นอนของรูปเสียงกลภภิ่นรสปวดทพะมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือเรื่องราวของใจของพวกเราทุกคนเป็นอย่างนี้ใจของพวกเรานี้ถ้าเรียกว่าเวียนไหวาตายเกิด ในสังสารวัตรในสังสารวัตก็คือในตายภพภพน้อยภพใหญ่ตายภพนี้ก็มีสามภพด้วยกันกามาภพคือภพของผู้ที่เสพกลามเสพรูปเสียงกลิ่นรสรูปภพคือภพของผู้ที่เสพรูปประชานอรูปภพก็คือภพของผู้ที่เสพอารูปประชานทั้งสามภพนี้เป็น ที่อยู่ชั่วคราวของใจไม่ถาวรไปแล้วเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายจากมันไปเช่นพวกเรามาเกิดในกามมาพบกันเพราะพวกเราชอบเสพกามกันเมื่อเรามาเสพกามกันเราก็จะอยู่ในกามมาพบนี้ได้อยู่ในพบของมนุษย์นี้ได้ชั่วคราวพอตายไปเราก็ไปอยู่เป็นดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขก็เป็นพวก พวกเท่พวกเทวดาถ้าเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีความทุกข์ก็เป็นพวกเปรต พ, พ, พวกอสูรกายพวกนรกเนี่ยเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกาลมาพบอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, <ป>เวลามีร่างกายเราก็มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการหากินหาอยู่ทุกข์กับการหารูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าทุกข์กับการสูญเสีย รูปเสียงกลิ่นรสผดัพะที่เราชอบเรารักไปทุกข์กับการต้องมาเจอกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่เราไม่ชอบกันชีวิตของเรานี้ก็จะเจอแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยไม่ไม่เว้นแต่ละวันก็ว่าได้ต้องจะเจอความทุกข์อยู่เรื่อยความทุกข์ของพวกเรานี้ถ้าเราเปรียบกับน้ำตาเวลาเราทุกข์นี่บางทีเราถึงกับต้องหลั่งน้ำตากัน ถ้าเราน้ำตาที่เราหลังนี้มารวบรวมไว้ในแต่ละพบแต่ละชาตินี้เราจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้าในมาหาสมุทรนี่คือจำนวนของพบชาติของพวกเราที่มาเกิดกันเวลาที่มาเกิดเป็นมนุษย์กันเราต้องมาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจเพราะอำนาจของความหลงเพราะอำนาจของความอยากที่จะเสพลูกเสียงกลิ่นร้อนี้เท่านั้นเองที่มันพาให้เราจะต้องมามาทุกข์กับ การแก่การเจ็บการตายมาทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่เราไม่ชอบหรือมาทุกข์กับการสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่เราชอบไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ mm. เพราะว่า mm. เราไม่รู้ว่านี่คือปัญหาของเราเพราะส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเราเป็นร่างกายกันและเราก็คิดว่าเมื่อร่างกายตายไปแล้ว ชีวิตของเราเรื่องราวของเราก็จบหมดไปแต่มันไม่จบเพราะว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้ใช้ร่างกายผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้กับเราใจตัวนี้มันไม่ตายมันไปหาร่างกายอันใหม่แล้วช่วงที่มันยังไม่ได้ร่างกายอันใหม่มันก็จะอยู่แบบดวงวิญญาณแบบสุขหรือแบบทุกข์แล้วแต่บุญหรือ บ, บาปที่ทาเอาไว้ เรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่มีวันรู้ได้เลยถ้าเราไม่มีโอกาสได้เข้าหาบัณฑิตบัณฑิตที่แท้จริงก็มีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นหรือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้ท่านรู้เรื่องเรื่องร่างกายและเรื่องใจท่านรู้ว่าใครใครเป็นนายใครเป็นบ่าวท่านรู้ว่าใครตายใครไม่ตายท่านรู้ว่าใครทุกข์ใครไม่ทุกข์ ร่างกายมันไม่ทุกข์นะเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีความรู้มันไม่มีการรับรู้มันเป็นเหมือนต้นไม้เวลาเราต้นไม้ไปเอามีดไปฟันต้นไม้ต้นไม้มันไม่สะดุ้งหรอกแต่เวลาเรามาฟันคนเป็นนี่คนเป็นสะดุ้งขึ้นมาทันทีที่สะดุ้งเพราะว่าไม่ใช่ร่างกายสะดุ้งเพราะใจสะดุ้งเพราะถ้าเรามีดไปฟันคนตายนี่คนตายมันไม่สะดุ้ง เพราะเวลาที่คนตายนี่มันไม่มีใจแล้วมันก็เลยไม่มีผู้รับรู้เมื่อไม่มีผู้รับรู้มันก็ไม่รู้สึกอะไร<ม>ร่างกายมันไม่ใช่เป็นตัวตัวทุกเนี่ยตัวที่ทุกก็คือใจอันนี้แหละคือตัวปัญหาที่ทุ ก, กเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดเพราะไม่รู้ว่าการมาหาใช้ร่างกายนี้จะนำไปสู่ความทุกข์ การไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่างๆนี้จะนําไปสู่ความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดนําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจะรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ดีหรือจาก พระธารมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกบางคนโชคดีมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้ายังไม่ตายเห็นในสมัยพุทธกาลนี้คนได้เจอพระพุทธเจ้าก็จะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้จากพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วพระพุทธเจ้านอกจากบอกเรื่องราวเรื่องปัญหาของใจแล้วยังบอกวิธีแก้ปัญหาของใจให้ด้วยว่าถึงแม้ใจจะทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนี้ ใจสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ถ้าเจอพระพุทธเจ้าได้ก็ก็ดีมากแต่ถ้าเจอไม่ได้ถ้ายังมีคำสอนมีเก็บบันทึกเอาไว้อยู่ก็ยังถือว่าใช้แทนกันได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดไว้เองว่าถึงแม้เราจะจากพวกเธอไปแล้วแต่พวกเธอจะไม่เธอพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาธดาจะปราศจากอาจารย์เพราะว่าธรรมะคาสอนของเราที่มีพวกคน คอยจดคอยบันทึกคอยเก็บเอาไว้นี่จะเป็นผู้ที่มาสอนพวกเธอแทนเราได้ก็คือพระธรรมที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนๆถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวของเราปัญหาของเราว่าเราเป็นเป็นอย่างไรเราเป็นใครและปัญหาของเราอยู่ที่ตรงไหนถ้าเราไม่ได้เจอกับ ถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วไม่เข้าใจ mm hmm. ก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่ง mm hmm. ก็คือมีพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ mm hmm. ก็คือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจา้า mm hmm. ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ที่จะสามารถสอนเรื่องราวที่เกี่ยวกับเราได้ว่าเราเป็นใครและปัญหาของเราอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราจะแก้อ ย, อย่างไร นี่แหละคือบัณฑิตที่พระเจ้าหมายถึงที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปเข้าหาบัณฑิตคือให้ไปหาผู้ที่รู้เรื่องธรรมชาติของร่างกายและจิตใจว่าเป็นอะไรว่าใครเป็นอะไรกันแน่เราเป็นอะไรกันแน่ถ้าเรามีปัญหาอยู่ที่ตรงไหนและจะต้องแก้อย่างไรนี่คือเจตนารวมของการสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าให้คบบัณฑิตหรือให้เข้าหาบัณฑิต อย่าไปเข้าหาคนพานคือคนไม่รู้เรื่องราวของจิตใจไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจไม่รู้เรื่องของปัญหาของใจว่าจะต้องแก้อย่างไรให้ไปหาบัณฑิตบัณฑิตที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ก็คือพระอริยสงสาวกหรือตัวพระพุทธเจ้าเองถ้าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีชีวิตอยู่ก็ไปหาได้ในคําสอนในพระไตรปิฎกหรือถ้า หรือถ้าเป็นเจอพระ อ, อริยสงสาวกก็สามารถศึกษาคําสอนของพระ อ, อริยสงสาวกก็ได้ทั้งที่ตายไปแล้วและทั้งที่มีชีวิตอยู่คําสอนของพระ อ, อริยสาวกบางรูปที่ตายไปแล้วก็ยังมีจดบรรทึกอยู่เก็บไว้เป็นหนังสือต่างๆให้ได้ศึกษาได้อันนี้แหละคือบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาถ้าได้เข้าหาบัณฑิตแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราเป็นใครกันแน่ ถ้าปัญหาของเราอยู่ที่ตรงไหนทําไมเราถึงหนีไม่พ้นความทุกข์เสีทีตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ทําไมเรายิงต้องมีเรื่องเรื่องของความทุกข์เรื่องของความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิ้นหมดจากเรื่องนี้ก็มีเรื่องนั้นเข้ามาหมดจากเรื่องนั้นก็มีเรื่องโน้นเข้ามามีเรื่องต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราความจริงเรื่องเหล่านั้นมันไม่ได้เข้ามาหรอก เราไปหามันเองเพราะความโง่ของเราเราไปหลงคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราก็คือเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆนี่เองที่เราไปหลงคิดว่ามันจะให้ความสุขเพราะเราไม่ได้เห็นรู้ธรรมชาติของมันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวเรียกว่าอนิจจ์นมันเป็นของที่เราควบคุมบังคับสั่งมันไม่ได้เป็นอนัตตา สั่งให้มันให้ความสุขอย่างเดียวไม่ได้ความสุขบางทีเราได้มันมาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งพลิกเอาความทุกข์มาให้กับเราก็ได้นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้ยึ่งทำให้เราทุกข์กันแต่ตอนนี้เราโชคดีเราได้มาเจอบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนว่าปัญหาของพวกเราก็คือ วิธีการหาความสุขของพวกเอานี้เป็นวิธีการหาความความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขเพราะเหมือนกับการเดินเข้ากองไฟ mm hmm. การเดินเข้ากองไฟนี้มีแต่จะร้อนมีแต่จะเผาเราให้เราปวดเจ็บปวดทรมานเป็นเหมือนพวกมแมลงเม่าเนี่ยได้ยินคำพูดไหมว่าแมลงเม่าบินเข้ากองไฟทำไ ม, มแมลงเม่าถึงบินเข้ากองไฟเพรา ะ, มะแมลงเม่าชอบแสงไฟ mm hmm. พอเห็นไฟแล้วก็โอ้คิดว่า ถ้าได้เข้าใกล้ไฟแล้วจะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าไฟนี้มันมีมันมีความร้อนอยู่ด้วยพอเข้าไปใกล้ๆปั๊บก็ถูกไฟเผามันไปตายฉันใดใจของที่ใจของผู้ที่ไม่มีความรู้ความฉลาดเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอริยรสงสากทั้งหลายนี้จะไปเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลธพะชนิดต่างๆนี้อ่อซึ่งเป็นเหมือนกองไฟแต่เป็นแสงที่หน้า น่ายั่วยวนกวนใจอย่างยิ่งสังเกตดูเวลาเราเห็นรูปบางชนิดเห็นแล้วอยากจะได้ขึ้นมาได้ยินเสียงบางชนิดแล้วอยากจะได้ขึ้นมาได้สัมผัสได้สัมผัสกับนดกับลกลิก่นก็อยากจะได้ขึ้นมาอันนี้แหละมันเป็นของยั่วยวนกวนใจถ้าใจไม่ฉลาดใจก็จะเข้าหาพอเข้าไปอยู่ใกล้มันแล้วถึงจะรู้ว่าจะถูกมันกัดขึ้นมาแล้วถูกมันเผาต่อมา เวลาเราอยู่ห่างๆมันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเราพอเราไปได้มันมาครอบครองแล้วเป็นของเราเนี่ยมันจะกัดเราละมันจะสร้างความทุกข์ให้กับเราทันทีไม่เชื่อลองดูสิเวลาของที่ไม่ใช่เป็นของเรานี่เราดูแล้วเราจะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับมันแต่พอเราได้มาเป็นของเราแล้วทีนี้เราจะหวงนะเราจะหวงนะแล้วเราจะเสียใจ ปัญหาก็คือเวลาเราได้อะไรแล้วเราอยากจะให้มันเป็นของเราไปตลอดเราอยากจะให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่ธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาอันี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางทีมันก็ให้ความสุขกับเราบางทีมันก็ให้ความทุกข์กับเราบางทีมันก็อยู่กับเราบางทีมันก็ไม่อยู่กับเรานี่คือความจริงของธรรมชาติต่างๆที่เราไม่เรียนรู้กันเพราะไม่มีใครสั่งใครสอนนั่นเอง เนี่ยพอเราได้มาเจอกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเลิกเลิกเลิกหาความสุขแบบนี้เถิดมันเป็นความสุขที่จะทำให้ใจเราทุกข์เป็นเหมือนกองไฟเราเป็นเหมือนแมงเม่าอย่าไปดีใจกับแสงสว่างของกองไฟอย่าไปเข้าใกล้กองไฟเพราะถ้าเข้าใกล้กองไฟแล้วไฟมันจะเผาเผาเราอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผธัปะ เพราะมันเข้าใกล้แล้วมันจะทำให้เราทุกข์เราได้มันมาเป็นของเราเมื่อไหร่แล้วเราจะยึดจะติดจะหวงจะห่วงจะอยากให้มันให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่โดยธรรมชาติแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเปลี่ยนไปหมดไปพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราเลิกหาความสุขแบบนี้กันแต่การที่เราจะเลิกหาความสุขแบบนี้ได้เราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขก่อน ให้มาหาความสุขจากการทําทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาจากการทำใจให้สงบก่อนวิธีการนี้จะทำให้เรามีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เย็นที่สบายเป็นความสุขแบบน้ำแข็งน้ำเย็นอยู่ใกล้น้ำเย็นเท่าไหร่มันไม่มันไม่แผดมันไม่แผดไม่เผามันไม่ทำลายจิตใจไม่เหมือนกับกองไฟรูปเสียงกลิ่นรสผุดพะนี้เป็นเหมือนกองไฟ แต่ความสุขที่เราได้จากการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนานี้เป็นเหมือนน้ำเย็นที่จะทําให้จิตใจเรานุ่มเย็นเป็นสุข<ม>ก่อนที่เราจะเลิกหาความความสุขจากกองไฟเือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผ พ, พาได้เราต้องมีความสุขในรูปแบบใหม่ขึ้นมาก่อนพระเจ้าจึงสอนให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุข เวลาเราอยากจะใช้เงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นต่างๆให้เราเอาเงินส่วนนี้ไปทำบุญทำทานจะดีกว่าผลที่เราได้รับจะต่างกันผลที่เราได้รับจากความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันจะเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วแป๊บเดียวมันก็จางหายไปแล้วมันก็จะปล่อยให้เรารู้มีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายทให้เรารู้สึก เรารู้สึกเศร้าเวลาที่มันหมดไปแต่ความสุขที่เราได้จากการทำบุญทำทานนี้มันจะทำให้ใจเราอิ่มใจเราพอใจเราเย็นใจเราสุขถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานมากน้อยเพียงไรความอิ่มใจสุขใจที่ได้จากการทำบุญมันก็ยัง <c oughs> มีอยู่ในใจแล้วมันไม่ได้สร้างความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวใดสร้างความเหงาสร้างความว้าเว สร้างความหิวสร้างความอยากเหมือนกับการเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกมือกายนี่คือวิธีการแรกของการเปลี่ยนวิธีหาความสุขอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระพยายามหยุดมันให้ได้ด้วยการใช้การปฏิบัติทานแล้วก็รักษาศีลอยากจะทําอะไรก็อย่าไปทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเพราะการทําบาปนี้มันจะทําให้ใจเราทุกข์ไม่ใช่ทําให้ใจเราสุข ถึงแม้ว่าเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้มาแต่มันจะได้ไม่คุ้มเสียความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราได้กับความทุกข์ที่เราจะต้องชดใช้นี่มันมันไม่เท่ากัน mm hmm. ได้ไม่คุ้มเสียอย่าไปทําบาปเราใจเราจะเย็นเราจะสบายไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับการกระทําบาปของเราแล้วขั้นที่สามก็ให้เราไปฝึกจิตทําจิตให้สงบทําจิตให้สบายให้เย็นให้นิ่งถ้าเราสามารถทําจิตให้สงบให้นิ่งได้แล้ว เราจะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะถ้าเราได้รับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะสามารถเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้อย่างถาวรเพราะเราจะเห็นด้วยปัญญาว่าความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเป็นผู้ตามความจริงก็เป็นความทุกข์ เพีงแต่ว่ามีความสุขเล็กๆน้อยๆห่้มห่อบังเอาไว้เท่านั้นเองเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลาที่ไม่ฉลาดพอเห็นเหยื่อก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชะพอหุบเหยื่อเข้าไปแล้วถึงจะไปเจอตะขอเบ็ดเข้าถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากดึงขึ้นจากน้ําจากน้ําในลานําธารลําห้วยก็ลงไปสู่น้ําในหม้อกแกงต่อไปผู้ใดที่เสพรูปเสียงกลิ่นลดผลฉพาะก็เป็นเหมือนปลาที่ไม่ฉลาด เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลทพนี้จะให้ความสุขแต่ที่ไหนได้พอได้มาแล้วความสุขที่ได้มามันได้มาเดียวเดียวแล้วก็หายไปพอมันหายไปมันก็ทำให้ใจว่าอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้าซ้อยห่อยเหงาขึ้นมาทันทีนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันการเข้าหาบัณฑิตนี้ก็เพื่อให้เรารู้ความเป็นจริงของเราว่าเราเป็นใครและเรามีปัญหาอ อยู่ปัญหาของเราอยู่ที่ตรงไหนปัญหาของเราก็คือการที่ไปหลงไปเสพไปหาความสุขจากรูปเสียงกิน่นั้นคือเสพกามนี่องจึงทําให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในกามมาพบอยู่เรื่อยๆเราเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วและจะเวียนว่ายต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะการเสพกามนี่มันไม่ได้ทําให้เราอิ่มทําให้เราพอมันจะทําให้เราหิวทําให้เราอยากไปเรื่อยๆ เราต้องเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสมาเปลี่ยนวิธีการหาความสุขด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะทำบุญทาทานก็ไม่เป็นไรเราไปรักษาศีนไปภาวนาต่อได้เลย ท, ทานนี้มีไว้สำหรับคนที่มีเงินมีทองแล้วคิดจะเาเงินเทองไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปกินไปดื่มที่นั่นที่นี่พอถ้าจะมีความคิดอย่างนี้ให้เอาเงินเหล่านี้ไปทำบุญให้หมดมันจะได้ไม่มีความสามารถที่จะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปหาความสุขจากลูปเสียงกิ่นรดได้ถ้าเราไม่มีเงินแล้วเราก็ไม่มีปัญหาสบายพอไม่มีเงินก็ย้าย เ, เงินไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกิ่นรดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการทาทานไปหมดหน้าที่ไป ทานนี้มีไว้ทําให้ผู้ที่ยังมีเงินทองยังอดที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิก่นรสได้เท่านั้นเอง <scenery. S 1> แต่ถ้าเราไม่มีเงินทองแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิก่นรสได้เราก็ต้องไปหาความสุขจากการรักษาศีลจากการภาวนานั่นเองการรักษาศีลนี่ก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนการภาวนาให้การทําใจของเราสงบได้ง่ายได้เร็วถ้าเราไม่รักษาศีลนี้ ใจของเราจะมีปัญหามีทุกข์มีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการทําใจของเราให้สงบเราก็ต้องรักษาเสียงกันถ้าเราต้องการจะภาวนาภาวนาก็คือการทําจิตใจให้สงบที่เราเรียกว่าการนั่งสมาธินี่เราต้องการนั่งสมาธิทาใจให้สงบให้นิ่งถ้าใจสงบนิ่งแล้วเราจะได้รับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พอเราได้รับความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องไปหาความสุขจากรู ป, ษษษษษษรปเสียงกลิ่นรสด็กต่อไปเหมือนกับถ้าเรามีรถคันใหม่รถรุ่นใหม่รถรุ่นใหม่ที่ราคาแพงกว่ารถรุ่นเก่ารถรุ่นเก่าเราใช้ไปแล้วมันก็สู้รถรุ่นใหม่ไม่ได้เวลาเราได้รถคันใหม่มาเรายังจะไปใช้รถคันเก่าอยู่หรือเปล่าคันเก่าเราก็ทิ้งมันไปยกให้คนอื่นไปเราก็ขับรถคันใหม่ดีกว่า อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบใหม่ให้ได้พอเราได้รับความสุขแบบใหม่แล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยความสุขแบบเก่าเราก็ไม่ต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพัพะอีต่อไปเราก็จะตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสได้เราก็จะตัดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบได้นี่คือปัญหาของเราที่เราจะต้องมาแก้กันวิธีแก้ก็คืออย่างเราต้องเข้าหาบัณฑิต ฟังเทศฟังธรรมจากบัณฑิตอยู่บ่อยๆเมื่อฟัองแล้วเราจะได้เข้าใจว่าเราเป็นใครและปัญหาของเราอยู่ที่ตรงไหนและเราจะต้องแก้ยังไงวิธีที่จะแก้ก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่ถ้าเราประวัติทานศีลภาวนาไปได้เรื่อยๆแล้ว<บ>เราก็จะมีพลังที่จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เมื่อหยุดความอยากต่างๆได้เราก็จะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เพราะการมาเวียนว่ายตายเกิดนี่เกิดจากความอยากที่อยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆในกามาพบนี่นี่คือประโยชน์หรือมงคลที่เราจะได้รับจากการที่เราทําตามที่ที่พระเจ้าทรงสอนก็คือการเข้าหาบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งอยากเข้าหาคนพาเพราะคนพานจะพาให้เราหลงพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดอันนี้คือเรื่องราวที่เป็นมงคลที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาิวาาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมีวะอิโตทินังเปตานาังอุปกปัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยะธามณนีจุดิอราโสยะธาสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพพะโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีริสะนิจังวุฒาปจายิโน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 ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทางยูทูบก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กระเบนพระจาน์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะหน้าขุดจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ528ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 317 YouTube d กเตอร์วีช94วิทยูออนไลน์13คลับ h ฮ u s e 11หน้ากุด166รวมทั้งหมด 1,129 ท่านค่ ะ, ะมีคำถามก็เชิญนานได้เลยคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุดค่ะ นั่งวิปัสสนาแล้วรู้สึกถึงดวงตาที่สามอยู่ระหว่างกลางหน้าผากตานี้คืออะไรครับไม่ต้องไปสนใจหล่ะเราไม่ต้องการจะรู้เห็นดวงตาที่สามต้องการเห็นกิเลสแล้ววิธีหยุดมันให้ได้เวลาโลภ ก, ก็หยุดมันให้ได้เวลาโกรธก็หยุดมันให้ได้เวลาหลงก็หยุดมันให้ได้เท่านี้หละคือการปฏิบัติส่วนอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจ เห็นก็รู้ไว้เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรคำถามจากทางน้ากุฎค่ะกราบพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตกราบขอพรพระอาจารย์สองเรื่องค่ะเรื่องที่หนึ่งหนูได้รับคัดเลือกเข้ารอบแรกในการทำสอบข้อเขียนเพื่อไปทำงานในตำแหน่งบริหารของสหรประชาชาตินครนิวยอร์ก จะทำข้อสอบในสัปดาห์หน้าตั้งใจว่าเมื่อได้เข้าทำงานแล้วจะนำเงินเดือนส่วนหนึ่งลงทุนทำธุรกิจและนำกำไรช่วยเหลือคนยากไร้ในทั้งในและต่างประเทศค่ะข้อที่สองกลับขอพรเนื่องจากจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในเดือนหน้าค่ะก็ขอให้ประสบกับความสำเร็จความพยายามอยู่นี่ให้ความสำเร็จอให้นั่น คำถามจากผู้รับฟังหน้ากดค่ะพระอาจารย์เน้นเรื่องอายตนะหมากเพราะเป็นช่องทางให้เกิดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสขอทริคในการทำขอทริคในการสํารวมอายตนะให้ได้ผลดีเพื่อลดละเลิกสิ่งที่จะผ่านมาทางช่องทางเหล่านี้มาเสียดแทงใจค่ะก็พยายามอย่าไปสัมผัสรับรู้มันเห็นสัมผัสรับรู้ให้น้อยที่สุด ถ้าไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นล้นได้ยิ่งดี mm. เช่นไปเปีกวิเวก mm. ไปอยู่คนเดียวตามป่าตามเขาอย่างนี้มันก็จะทําให้การสัมผัสรับรู้มันแทบจะไม่มีมันก็จะทําให้ใจเรานี้สงบนิ่งได้มีความสุขได้ถ้าเราอยู่ท่ามกลางรูปเสียงกลิ่นล้นมันก็จะลาบากต่อการสํารวมเพราะมันจะเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สติช่วยเท่านั้นเองใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธ อย่าไปสนใจเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าด้ยินไปอยู่กับพุโทโธพุทโธไปคำถามจากทาง YouTube ค่ะพรมอากิริ์ก้าวไปสู่อรหัตตมาร์คควรต้องละกิเลสหรือสังโยชน์ใดบ้างกราบขอบพระคุณค่ะก็สิสังโยชน์มี1ิประการด้วยกันลองไปค้อนอาหาดูในปูเก้าก็ได้ต้องละทั้งสิถึงจะบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติคะ่ะโรคร้ายที่เราเป็นอยู่เช่นโรคมะเร็งคือโรคเวรโรค ก, กรรมใช่หรือไม่เจ้าคะเราต้องเป็นโรคนี้ทุกพบทุกชาติหรือไม่ต้องปฏิบัติอย่างไรให้พ้นทุกจากโรคร้ายนี้กราบขอบพระคุณคะ่ะมันโอกจากการที่เรามาเกิดไม่ใช่อะไรพอาามาเกิดมันก็ต้องมีโรคร้ายต่างๆึ่งในแต่ละยุคในแต่ละสมัยก็อาจจะมีโรคร้ายไม่เหมือนกันก็นได้ แต่มันก็พอสาเหตุที่เรามาเกิดมันถึงต้องมาเจ็บมาแกา่มาตายกันวิธีแก้ก็คืออย่ามาเกิดพเจ้าบอกอย่ามาเกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่เจอกับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะการที่เราทำบุญใส่บาททุกวนันไปทา ไปทบุญที่วัดทุกวันพระบุญที่เราอุทิศเขาจะได้รับทันทีหรือเปล่าเจ้าคะ้ะคนที่หมดอายุไขกับคนที่หมดกรรมคนที่เสียชีวิตกระทันหันต่างกันอย่างไรเจ้าคะไม่ต่างเราก็ตายเหมือนกันตายเหมือนกันบุญที่เราทำอุทิศได้ถ้าผู้รอรับรอรับอยู่ก็รับได้ทันทีถ้าเขาไม่รอรับก็ไม่มีก็ไม่ได้เพราะบุญ บางคนเขามีบุญของเขาเองเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญของเราแต่คนที่ไม่มีบุญมารอรับพอเราอุทิศใหเ้เขาเขาก็จะได้รับทันทีค่ะคำถามจากทางเฟซบุกค่ะหากอยากนั่งสมาธิเพื่อต้องการให้จิตสงบถือเป็นความโลภหรือเปล่าครับแล้วควรทำจิตยังไงครับเรียกว่าเป็นธรรมเป็นมัจเป็นการเจริญ ทางสู่การหลุดค้นจากความทุกข์อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นกิเลสเรียกว่าเป็นธรรมค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ เมื่อวานฟังพระอาจารย์ตอบคําถามเรื่องจิตคิดปรุงแต่งสมองรับคําสั่งกราบเรียนถามว่าในชีวิตทํางานที่ใช้ความคิดในขณะนั้นคือสมองคิดหรือจิตคิดก่อนแล้วเราจะสังเกตอย่างไรว่าตอนนี้จิตคิดเพราะเวลาทํางานมีความรู้สึกว่าสมองคิดและสั่งการเองคือหลงไปในความคิดเรื่องงานเลยอยากขอกราบพระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมขอบพระคุณเจ้าค่ะความคิดนี้เป็นของจิตทั้งทั้งหมด สมองคิดไม่เป็นสมองไม่มีความคิดความคิดอยู่ในจิตความจำก็อยู่ในจิตสมองเป็นเพียงแต่ตัวที่ประสานการเคลื่อนไหวของร่างกายเท่านั้นเองเวลาที่เราสั่งให้ยกแขนนี้ต้องผ่านสมองสมองจะส่งสัญญาณไปที่แขนแขนถึงจะยกได้ถ้าเกิดประสาทส่วนนั้นถูกตัดขาดจากสมองไปสั่งไปแล้วมันก็ยกแขนไม่ได้ เป็นคนเป็นำมาเพิดกรรมภาพย่ีตอยากจะสั่งให้ยกแขนก็สมองก็ไม่ไม่สามารถส่งสัญญาณไปที่แขนได้เพราะสัญญาณทางทางเดินของสัญญาณมันอาจจะถูกตัดขาดไปมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะทำให้ส่วนนั้นของร่างกายเคลื่อนไหวได้คำถามจากทางเฟซบุ๊ก ค, ค่ะ ผมเก็บเงินได้100บาทบนถนนระหว่างขับรถกลับบ้านแต่ไม่รู้จะเอาไปคืนใครจึงได้นาเงินไปซื้อปลาไปปล่อยแล้วอธิษฐานขอให้บุญกุศลที่เกิดจากการปล่อยปลานั้นกลับไปหายังเจ้าของเงินที่ทำหล่นผมทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับไม่ถูกหรอกเราเขาโมยเงินของเขาเนี่ยเขายังไม่ได้อนุ ญ, ญาตให้เราเอาไปเราหยิบไปนทางที่ดีถ้าเราไม่เห็นเจ้าของก็อย่าไปหยิบปล่อยไว้ตรงนั้นเนี่ เดี๋ยวเผื่อบางทีเจ้าของเขานึกได้ก็อาจจะกลับเดินมาเดินหาก็ได้มมไม่ใช่เงินของเราเราอย่าไปแตะถ้าเราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของถ้าเราเห็นว่าเจ้าของเขาทำหล่นแล้วเราหยิบไปคืนเขา่างนี้ก็ทำได้แต่ถ้าเราหยิบมาแล้วเราไม่รู้จะไปทำอะไรก็อย่าหยิบมันดีกว่าเพราะการหยิบมานี่ก็เหมือนกับเป็นการเอาของที่เจ้าของเขาแม่นุญาต<ม>ถือว่าเป็นการรักทรัพย์ คำถามสักทางยู u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะหากเราไม่มีโอกาสพบพระอริยะสงฆ์แต่เราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนและหมั่นภาวนาเรามีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมไหมครับก็มีแล้วแต่ความฉลาดของเราเพราะการอ่านเองนี้เราจะต้องใช้การพิจารณาซึ่งอาจจะพิจารณาถูกก็ได้พิจารณาไม่ถูกก็ได้แต่ถ้าเราไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ โดยตรงนี้ท่านจะพิจารณาให้เราท่านจะบอกให้เราว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นก็โอกาสที่จะมารู้ธรรจากการได้ศึกษาจากคนที่มีชีวิตอยู่นี่มันจะง่ายกว่าการศึกษาจากการอ่านหนังสือจากพระไตรปิฎกแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ต้องอาศัยพระไตรปิฎกอ่านไปศึกษาไปแล้วก็พิจารณาไปลองผิดลองถูกไป คำถามจากทาง youtube ค่ะการปฏิบัติภาวนาถือเป็นการทําทานหรือไม่แล้วทําไมการปฏิบัติภาวนาจึงถือเป็นบุญที่สูงกว่าการทําทานด้วยวัตถุคะเคําว่าบุญก็คือความสุขนนี่ความสุขนี้มันมีหลายระดับสุขมากสุขน้อยการทําทานนี่สุขน้อยกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลนี่สุขน้อยกว่าการภาวน า, ศาศ แต่ก็ต้องผ่านขั้นตอนไปถ้าเรายังทําทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้อย่าไปภาวนายังไม่มีกำลังพอเราต้องมีกำลังปล่อยทําทานให้ได้ก่อนเมื่อทาทานได้เราก็จะมีกำลังรักษาศีลเมื่อมีกำลังรักษาศีลเราก็จะมีกำลังภาวนาต่อไปคำถามจากทาง u t u ู e ค่ะ การปฏิบัติจเจริญสตินั้นจุดประสงค์คือการทำให้สงบจากสัมมาสติและตั้งมั่นหากอาศัยเพียงกําลังพุโทโธจะสามารถตั้งมั่นได้หรือไม่ครับหรือต้องพิจารณาปัญญาโดยใช้คิดร่วมด้วยไม่ให้คิดเราต้องหยุดความคิดใช้พุโทโธอย่างเดียวถ้าใช้ความคิดมันไม่มีวันที่จะสงบได้เพราะความคิดของเรามันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นความคิดของกิเลสมากกว่าค่ะ เรียนถามค่ะสอนใจตัวรู้อย่างไรให้รู้จักความแก่เห็นความแก่กราบขอบพระคุณค่ะก็สอนบ่อยๆแล้วก็ไปดูคนแก่บ่อยๆดูคนที่เขาแก่แล้วก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราตอนนี้เราเป็นอดีตของเขาเขาเป็นอนาคตของเรา เวลาเห็นคนแก่เห็นคนตายให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆต้องย้ำคิดอยู่เรื่อยๆให้มันจําให้ได้ไม่ให้มันลืมแล้วมันก็จะมันก็จะเกิดความรู้สึกสลดสังเวชขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกว่าจะต้องปล่อยวางร่างกายนี้ให้ได้ต่อไปค่ะคำถามจากทาง youtube ดกรฟีค่ะ ต้องมีสมาธิระดับใดจิตจึงจะสามารถมีปัญญารู้เห็นซึ่งความจริงจนกระทั่งจิตคลายจากความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งภายนอกหรือถึงขั้นจิตเปลี่ยนจากโปถุชนเป็นพระอริยาบุคคลได้ครับมันก็ต้องอยู่ตามขั้นของมันน่ยถ้ามันสมาธิน้อยปัญญามันก็จะน้อยสมาธิมากปัญญาก็จะมากนั้นก็ ถ้าจะให้มันเห็นเต็มร้อยก็ต้องสมาธิก็ต้องเต็มร้อยก่อนอปัญญาก็จะถึงเต็มร้อยได้ถ้าสมาธิห้าสิบปัญญาก็จะเห็นแค่เพียงห้าสิบ คำถามจากทาง yu-tube พระอาจารย์สุชาติค่ะตอนนี้ได้เริ่มกลับมานั่งสมาธิแต่เมื่อเริ่มนั่งเกิดรู้สึกลำคาญที่บริเวณท้องอึดอัดหงุดหงิดค่ะนั่งต่อไม่ได้เราจะทำอย่างไรดีคะเ พ, เพื่อให้เพื่อให้อาการความรู้สึกนี้หมดไปเจ้าค่ะลองสวดมนต์ไปให้พานในใจไปก่อนสแสดงว่าสติเรายังมีไม่มากพอสู้กำลังของกิเลสไม่ได้กิเลสนั้นออกมาสร้างความกดดันกับใจของเรา เราต้องใช้การสวนมนต์สร้างสติขึ้นมาเพื่อลั ง, งับกำลังของกิเลสด้านกำลังของกิเลสสวนไปอาจจะต้องสวดยาวอาจจะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกว่าใจเราเริ่มเบาเริ่มเย็นแล้วทีนี้เราค่อยมาดูลมต่อคำถามจากทางยู u b e ค่ะ ในการฝึกนั่งสมาธิเราจําเป็นต้องเดินจงกรมทุกครั้งด้วยหรือไม่คะและทําอย่างไรเราจึงจะนั่งสมาธิได้ดียิ่งขึ้นคะคือการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิมันก็เป็นวิธีการฝึกสมาธิฝึกสติซึ่งแล้วแต่เราจะเห็นว่าสมควรจะเอาแบบไหนถ้าเรานั่งสินั่งสมาธิได้เราไม่ต้องเดินยงกรมก็ไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้ แต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วใจมันอาจจะฟุ้งซ่านไม่สงบเราอาจจะอาศัยการเดินจงกรมช่วยลดยความฟุ้งซ่านก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่การพิจารณาของผู้ปฏิบัติแต่ละลายไปมันไม่มีสูตรตายตัวว่าจะต้องนั่งจงนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกครั้งไปบางครั้งเรานั่งไม่ได้เราก็เดินบางทีเราไม่อยากเดินเราก็มานั่งทำนองนี้แต่เป้าหมายอยู่ที่การเจริญสติ คือคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดินต้องมีพุโทโธกำกับใจหรือมีการเฝ้าดูลมหายใจถ้านั่งถ้าเดินก็ดูเฝ้าดูเท้าดูก้าวเท้าของเราก็ได้ใช้พุโทโธก็ได้อย่าปล่อยกกให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะในวันหนึ่งเราควรฝึกจิตและนั่งสมาธินานเท่าไหร่คะหรือเรานั่งได้บ่อยเท่าที่เราต้องการได้เลยเออทั้งวันทั้งคืนเลยยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งใกล้ม่ผ่านเข้าไปเท่านั้น คำถามจากทางยูทูบค่ะหากวันพระถือศีลแปดไม่กินหลังเที่ยงหากเราหิวเราก็ปล่อยให้หิวไปไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นโรคกระเพาะใช่หรือเปล่าเจ้าคะก็ดูพระพุทธเจ้าท่านเป็นโรคกระเพาะเปล่าแอบบาหารพระสาวกท่านก็กินมื้อเดียวนะไม่เหนมีใครมีโรคกระเพาะเลยเ<ร>บ้ า, บาคนเดียวออไม่กินข้าวแค่ไม่กินมื้อเที่ยงแค่ข้างเดียวจะเป็นโรคกระเพาะขึ้นมากิเลสมันหลอกรองนันเก่งไหม เวลาไปเที่ยวนี่มันไม่กิเลสไม่ออกมาหลอกเลยว่าดีไปเที่ยวเลยสนุกสนะานเงินหมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ได้มันหาไม่ได้ในเวลาเงินหมดแนละ้วคำถามจากทาง Youtube ค่ะหากคนที่เราเคารพบไปทำผิดศีลข้อที่สามลูกควรวางเฉยแล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของการไปถูกต้องใช้หมเจ้าค้า เพื่อไม่ให้ใจทุกข์ไปกับเรื่องของเขาใช่มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราอย่าไปทําตามเขาก็แล้วกันถ้าเรารู้ว่าไม่ดีเราก็อย่าทําส่วนคนอื่นถ้าเขาไม่มาปรึกษาเรามาถามเราเราก็บอกเขาไม่ได้แต่ถ้าเขามาถามให้ทําไม่ดีไม่ดีเราก็บอกไปเลยไม่ดีเราพระเจ้าบอกเป็นบาปแต่ถ้าเขาไม่สนใจที่จะมาปรึกษามาขอความเห็นจากเราเราก็ต้องเฉยเฉยไปไม่ใช่เรื่องของเรา คำถามจากทาง Facebook ค่ะการเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีควรทำอย่างไรบ้างคะก็ทุกวันต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลแปดทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาวันธรรมดาถ้ายังต้องทำงานทำการอยู่ก็ถือศีลห้าทำบุญใส่บาตรไปจนกว่าจะสามารถที่จะปฏิบัติได้เต็มตลอดเวลาก็ถือศีลแปไปทุกวันภาวนาไปทุกวัน คออำถามจากทาง u t ท b e ค่ะวิธีแก้จิตเศร้าหมองค่ะทำใจให้สงบจิตเศร้าหมองเกิดจากความอยากคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วไม่ได้อยู่ใกล้เขาก็เศร้าหรือสูญเสียสิ่งที่เรารักไปก็เศร้าอย่าไปคิดเวลามีคิดเรื่องราวเหล่านี้ต้องหยุดมันใช้พุทโธพุทโธพุทโ ธ, ธ, ธ, ธสู้กับมัน หรือใช้การสวดบุญสู้กับมันไปจนกว่าเราจะลืมความคิดนั้นไปแล้วความเศร้าหมองก็จะหายไปยังไม่มีคำถามโอเคสวันนี้ก็คำถามก็าเยอะพอสมควรถ้พ อ, พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ